พระภิกษุสั ม, มเนนที่อยู่ร่วมสำนักกับท่านก็มีเป็นจำนวนมากทุกท่านทุกรูปต่างตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเหมือนประหนึ่งว่าพระบรมศาสดามาแสดงธรรมโปรดอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีพระภิกษุสั ม, มเนนที่เดินเที่ยวเล่นพูดคุยเล่นอยู่ในบริเวณวัดมีแต่ท่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นท่าประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญามองดูแล้วล้วนแล้วแต่ท่านผู้ทรงศรีลทรงธรรม สะอาดหมดจดด้วยวัตถปฏิบัติใต้ร่มไม้ชายป่ากระท่อมน้อยเพิงหญ้าลานกลางแจ้งมองไปทางไหนมีแต่พระสงฆ์สามเณร น, นั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ทุกเช้าค่ำเหมือนเครื่องจักรแห่งธรรมอันใหญ่กำลังหมุนวนไปเพื่อปราบปรามเหลาวสัพพกิเลสให้หลุดหล่นกระจัดกระจายออกจากกล่องดวงใจไปทีละชิ้นสองชิ้นช่างหน้าอนุโมทนาในเวลาค่าคืนเดินมือสนิท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 เสนาสนะยารักษาโรคเราผู้เข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์ใหม่ก็พลอยมีจิตใจฮึกเหิมที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างท่านเหล่านั้นบ้างสำนักเสนาสนะป่าแสนสำรานแห่งนี้มีครูบาอาจารย์กรรมฐานศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นแวะเวียนมาพักสุนธนาธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงเสมอเช่นพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญบโลพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระารอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์กงมาจิรปุญโย ท่านพ่อลีธรรมัทโรพระจารย์ภูมิมีทิตะธรรมโมพระจารย์ดีฉันโนพระจารนพันปาเรสโกพระจานดูนอตุโลพระจานเทศเทศรังสีพระจารย์ทองอโศโกพระจารนหรุยจันทสาโรเป็นต้นท่านพระจาย์สิงห์ได้อธิบายข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนให้พระสาวกบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา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 เย่าเรือนตลอดจนสละชีวิตเลือดเนื้อมาเพื่อทรมานตนให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารต้องเป็นผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านมีขันติธรรมอดทนต่อความทุกข์ความยากลำบากตรากตรำไม่วันไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเป็นผู้เห็นแจพระศาสนาจริงๆต้องเป็นผู้มีน้าใจอันซื่อสัตย์ต่อพระศาสนาและครูบาอาจารย์ตลอดถึงหมู่คณะอ่อนน้อมทอมตน